ทางสงบโดยพณิเอกปิ่นมุตุกันเรื่องที่ 1. ทธาตยุ่งแทบทุกห้องในท้องที่จังหวัดนั้นที่ทางราชการเชิญราษฎรประชุมฟังคำบรรยายพอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอลุกขึ้นแนะนำว่าผู้นั้นผู้นี้จะบรรยายเรื่องที่น่ารู้ให้พวกเราฟังขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจฟัง ราษฎรในที่ประชุมนั้นก็จะมีการเคลื่อนไหวตัวเองแสดงว่าจะตั้งใจฟังให้ถนัดใจสักทีพอผู้แนะนำนั่งลงและผู้บรรยายเข้าประจามที่แล้วก็จะมีเสียงดังหึ่งขึ้นและดังขึ้นเรื่อยเืเนื่องจากทุกคนจะต้องหันไปสั่งสำทับคนที่นั่งข้างๆว่าเงียบอาการเช่นนี้เป็นอยู่นานพอสมควรจนกระทั่งมีคนหนึ่ง ตะโกนบอกคนอื่นๆว่าเงียบเงียบแล้วก็จะมีใครตะโกนมาจากอีกมุมหนึ่งว่าเงียบเงียบเช่นเดียวกันเมื่อต่างคนต่างตะโกนสั่งคนอื่นให้เงียบอยู่พักหนึ่งก็มีคนตะโกนขึ้นด้วยความโมโห ว, ว่าก็แกเงียบซิคนอื่นเขาเงียบหมดแล้วนี่ข้อนี้เป็นบทเรียนอันหนึ่งว่าความไม่เงียบเกิดขึ้นจากคนที่อยากเงียบ แต่ไปคิดว่าความไม่เงียบนั้นมาจากคนอื่นเรื่องความสงบก็เหมือนกันใครๆก็ร้องหาสันติภาพใครๆก็ร้องหาความสงบแต่ความไม่สงบก็มักจะมาจากคนที่ร้องหาความสงบนั่นเองถ้าเขาหยุดร้องเสียเมื่อไหร่ความสงบก็คงจะเกิดขึ้นมานั้นการที่เราฝ่หาความสงบนั้นน่าจะต้องหาตัวผู้สงบก่อน คือหาดูซิว่าใครแน่ที่อยากสงบและใครแน่ที่อยากจะรู้จักคนสงบอันที่จริงความสงบและไม่สงบมันไม่ได้มาจากที่อื่นแต่หากอยู่ในตัวเรานี่เองคนเรานี้มันมีธาตุแห่งความไม่พอใจยอยู่แล้วถ้าเราจัดการกับธาตุที่ว่าให้สงบลงได้อะไรๆมันก็สงบไปตำามกันแม้ว่าโลกนี้มันจะวุ่นวายสักเท่าไหร่ เราก็จะเหลือมุมสงบอยู่มุมหนึ่งที่เราจะอาศัยได้คือตัวเราเองตรงกันข้ามถ้าตัวเรามันเป็นตัวยุ่งเียคนเดียวที่ไหนที่ไหนมันก็ยุ่งกันไปหมดพูดถึงเรื่องนี้ผมยังติดใจพระโอวาทของสมเด็จ พ, พระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรวัดราบพิษซึ่งคณะสงฆ์วัดนั้นพิมพแจกในงานถวายพระเพลิงพระสพ ของพระองค์ท่านในพระโอวาทนี้เจ้าพระคุณสมเด็จได้ทรงเล่าว่าที่วัดนั้นมีหมายอยู่ตัวหนึ่งเที่ยวเดินพลานไปตามลานวัดไม่เป็นอันนอนเหมือนหมาตัวอื่นๆพอทำท่าจะนอนที่ร่มไม้ต้นนั้นก็มีอันต้องลุกขึ้นมองที่นอนของตัวด้วยความไม่พอใจแล้วก็วิ่งเหาะๆไปร่มอื่นและไม่ว่าจะไปนอนที่ร่มไหนก็เป็นอย่างนั้นทุกแห่ง เจ้าพระคุณสมเด็จทรงสงสัยว่านี่อะไรไปรังแกมันแต่เมื่อทรงตรวจดูแล้วก็ได้ทรงทราบว่าที่หัวหมาตัวนั้นเป็นแผลเน่าและมีหนอนชัยอยู่แล้วก็ทรงทราบว่าเพราะตัวมันเองหัวเน่ามันจึงนอนไม่ได้นี่เล่าตามที่ผมเองจําได้ติดใจความในพระว่าจริงๆยาวขนานี้แต่ตรงนี้ถูกใจผมมากก็เลยจําไว้แค่นี้ อาจผิดเพี้ยนไปบ้างก็ช่างประไรเราได้คติเตือนใจอย่างดียิ่งว่าความสงบนั้นไม่แน่นักว่าจะมีอยู่ในวัดในป่าในถ้าและที่ไหนไหนหากตัวเราเองเป็นตัวยุ่งอยู่เองแล้วที่ไหนมันก็ไม่สงบดูแต่หมาหัวเน่าสิร่มไม้ออกเต็มไปทั้งวัดมันก็หาที่ที่จะนอนให้สบายสักหีบก็ไม่ได้ ถ้ามันจะหยุดวิ่งพลานเสียหาทางรักษาหัวของมันเองให้หายเสียอย่างเดียวสวรรค์ของมันก็คงจะมีอยู่ทุกแห่งเราจะสังเกตเห็นคนชะตาไม่ดีบางคนอยู่ที่ไหนเดือดร้อนทุกแห่งไม่ว่าจะเข้าทำงานกรมไหนกองไหนก็เจอแต่เจ้านายไม่ได้ความหาความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจไม่ได้และได้เพื่อนร่วมงานก็มีแต่คนยุ่ง ขี่้ฉาริษยาคอยใส่ร้ายป้ายสีไม่เว้นแต่ละปีหนักเข้าต้องย้ายที่ทํางานกันเป็นว่าเล่นแล้วก็นั่งรำพันถึงความสับสนวุ่นวายในหน่วยงานก่อนๆวันยังค่ําก็ไม่หยุดขั้นที่สุดแม้แต่จะเข้าวัดบวช เ, เป็นเถรเป็นชีแล้วก็เจอแต่วัดที่ไม่สงบเราได้ฟังเข้าแล้วก็รู้สึกสงสารและเห็นใจที่ท่านผู้นั้น ช่างเป็นคนนาพับอับวาสนาอะไรอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรนอกจากจะบอกกล่าวได้ว่าสำหรับผมเองหมดเคราะห์หมดกรรมเพราะได้อ่านพระโอวาสสมเด็จตามที่ได้กล่าวอ้างมาแล้วแต่เสียดายที่จะแนะนำเพื่อนฝูงที่ยังเคราะร้ายให้อ่านบ้างก็แนะนำไม่ได้ประเดี๋ยวจะเกิดเข้าใจผิดหาว่าผมดูถูก เห็นจะต้องปล่อยไปจนกว่าจะได้อ่านพระโอวาทนั้นโดยบังเอิญเมื่อเขาจวนจะสิ้นกรรมผมรู้สึกว่าผมพาท่านผู้อ่านเดินอ้อมคล้อมไปมากจนไม่รู้ว่าทางสงบอยู่ตรงไหนถูกแล้วครับที่จําเป็นต้องอ้อมก็เพราะไปติดหมาหัวเน่าของสมเด็จตัวเดียวเท่านั้นผมได้พูดมาตอนต้นแล้วว่าในตัวคนเรานี้มันมีธาตุยุ่งอยู่มันจึงได้ยุ่ง ธาตุยุ่งคืออะไรผมกำลังจะชี้ให้ดูเดี๋ยวนี้แล้วท่านทราบอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่ามนุษย์เราคนหนึ่งหนึ่งนี้ประกอบด้วยธาตุหกชนิดด้วยกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนั่นแหละครับธาตุก้อนสุดท้ายที่ผมกล่าวเอาไว้นั่นแหละคือธาตุยุ่งในภาษาบาลีเรียกธาตุก้อนนี้ว่า วิญญาณธาตุแต่ในภาษาไทยเราชอบเรียกว่าใจหรือจิตส่วนธาตุข้างบนอีกห้าธาตุมันไม่เห็นมีอะไรยุง่งใจต่างหากละ่ะที่ไปยุ่งกับมันลองใจไม่ยุ่งสิอย่างเดียวมันก็สิ้นเรื่องดูกันง่ายๆแค่คนตายก็ได้คนตายนั้นที่ต่างจากคนเป็นก็ตรงที่มีใจหรือไม่มีเท่านั้นคนเป็นมีใจ คนตายไม่มีใจเพียงแต่คนหนึ่งมีใจกับอีกคนหนึ่งไม่มีใจเท่านี้พฤติการของเขาต่างกันมากเมื่อยังเป็นอยู่แล้วแหมบรรมมายุ่งบางคนจู้จี้จุกจิกจนแม้แต่ลูกเมียก็เอือมระอามีข้าวแล้วจะเอาเหล้ามีเหล้าแล้วจะเอากับแกล้มกินทั้งน้ำทั้งขวัญแต่พอสิ้นใจแล้ว ไม่เห็นบ่นสักหน่อยว่าจะกินไอ้นั่นจะกินไอน้นี่ทั้งทั้งที่ปากก็ยังอยู่ท้องก็ยังมีนี่แหละหนาคนเราใครจะยุ่งเท่าไหร่พอสิ้นใจก็สิ้นฤทธิ์สัปรเรอจับมัดว่าใครจะเผาใครจะฝังก็ได้ทั้งนั้นลองโดนทำอย่างนี้เมื่อตอนยังมีใจสิพ่อจะได้ร้องลั่นทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นได้ชัดแล้วว่าใจนั่นแหละ คือธาตยุ่งประจําตัวคนทําไมใจเราถึงยุ่งเอาไว้พูดกันต่างหากตอนนี้เราดูเพียงตัวยุ่งไว้เสียก่อนรู้ว่าใจเรานี่เองคือตัวยุ่งจะได้เลิกเที่ยวโทษใครๆว่ามาทําให้เรายุ่งอยู่ร่ําไปแล้วจะรู้สึกว่าคนอื่นที่จะทําให้เรายุ่งน้อยลงบางทีแทบจะไม่เจอเสียด้วยซ้ํารู้ว่า ใจคนเรานี้เป็นตัวยุ่งจะได้ไม่ปวดประสาทเมื่อเห็นคนอื่นก่อเรื่องยุ่งยุ่งเพราะเขามีใจและเราเองก็ชอบคนมีใจเสียด้วยตกลงเวลานี้ที่โลกมันยุ่งมากก็เพราะแต่ละคนไม่ควบคุมธาตุยุ่งของตัวไว้ให้ดีปล่อยให้มันไปยุ่งกับธาตุยุ่งของคนอื่นมากๆเข้ามันก็ยุ่งเหยิงเท่านั้น